บุ๊กทูสามสิบที่ร้านอาหารส <restaurant>, องที่รออีนส้าอาหองที่้ลคอรับงนอ้นอ้านาาร้นอารีนารอสอน้านาร ขอน้ำมะเขือเทศครับวทูม่าดจูสขอบัผมขอไวน์แดงหนแก้วครับอยากไดวน์แดงหนึ่งแก้วครับผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับอวนขาวหนึ่งแ s ้ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ Jeg vil gerne have คุณชอบปลาไหมครับ Can you คุณชอบเนื้อวัวไหมครับ Can you คุณชอบเนื้อหมูไหมครับค a ณชอบเนื้อส i ก e ้ไหผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ Jeg vil gerne have noget uden kød. Jeg vil gerne have en t a l l r k e n g r ø n t s a r Jeg vil gerne have noget, der ikke t g e r så lang tid. e r vil e r a v g d i g r s g t i u vil gerne have noget, der ikke tager så lang tid. Jeg vil gerne have noget, der ikke t e r så lang tid. l g e n have r i k e t i g s l a t i คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ Will you have คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ Will you have รสชาติไม่อร่อยอาหารเย็นชืดผมไม่ได้สั่งจานนี้